อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในเช้าวนันนี้เป็นเช้า ว, วันอาทิตย์ที่23ตุลาคมพุทธศักราช2554นะคะวันนี้เป็นวันแรม11ค่ำเดือน11ค่ะวันนี้เป็นวันสำคัญของชาติอีกวันหนึ่งนะคะเพราะเป็นวันที่ระลึกที่เรา ทั้งชาตินะคะจะได้น้อมเกล้าวน้อมกระ ม, ม่อมนึกถึงราลึกถึ ง, ลลถงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ขององค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าหรือองค์พระปิยมหาราชหรือพระราชาผู้เป็นที่รักยิ่งของป ร, ระสงนิกรชาวไทยเรานะคะวันนี้ก็จะเป็นวันเดนคิดว่าเป็นวันดีมากเลยก็คงจะมีประสงนิกรชาวไทยเป็นจานวนมากทีเดียวที่จะ กราบถวายบังคมพระองค์ท่านแม้แต่ใครที่จะมีรูปบูชาอะไรต่างๆที่บ้านนั้นเนี่ยก็คิดว่าวันนี้ก็จะเป็นวันที่เราจะได้น้อมกล่าวน้อมกระหมอมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5หรือที่ชาวบ้านเรามักจะเรียกพระองค์ท่านด้วยความเคารพบูชาเหมือนญาติผู้ใหญ่ในบ้านว่าเป็นเสด็จพ่อรห้านะคะวันนี้เป็นวันปิยมหาราชค่ะ แล้วก็วันนี้ก็เป็นวันดีอีกวันหนึ่งเพราะว่าเป็นวันที่วัดป่าดอนหายโศกที่ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจงังหวัดอุดรธานีซึ่งเราได้เรียนเชิญพระอาจารย์ไพบุญอภิคุณโนซึ่งเป็นลูกศิษย์เอกของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาดที่ตภโผ่าศท่านเจ้าอาวาสนั้นเนี่ยวันนี้เรามีการจัด ทอดกระถินนะคะมีการถวายผ้าพระกระถินกันในวันนี้ตอนช่วงสายๆดังนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ใดยอยู่ใกล้จังหวัดอุดรธานีนะคะก็ขอเรียนเชิญชวนไปร่วมบูรร่วมกุศลกันที่วัดป่าดอนไหโซกันนะคะค่ะเกินมาซะยาวเลยนะคะวันเช้าวันอาทิตย์นี้ต้องขออนุญาตนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนโกันเลยนะคะแล้วก็มาระฟังพระอาจารย์ ภัยบุญท่านได้เมตตาที่จ ะ, ะพูดคุยให้ฟังต่อเกี่ยวกับเรื่องที่เราได้สนทนากันเมื่อเช้าเมื่อวานนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางท่านผู้ฟังท่านหนึ่งคือคุณวิไลจิตสังขะจากจังหวัดร้อยเอ็ดได้เขียนถามมาถึงคําว่าปฏิจจสมุตบาทซึ่งพระอาจารย์ไับุญรือภิปุโนก็ได้เมตตาที่จะชี้แจงให้เห็นแล้วว่าธรรมบทนี้ซึ่งถือเป็นแก่นคําสอนของอพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเนี่ยมีความหมายว่าอะไรนะคะเช้าวันนี้จะสนทนากันต่อค่ะ แล้วก็จะเป็นเรื่องที่ใกล้กับชีวิตประจําวันของเราก็คือจะนำมาถึงเรื่องใกล้ตัวในขณะที่ประชาชนคนไทยทั้งชาติกำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับโอทกภัยครั้งประวัติศาสตร์ซึ่งร้ายแรงที่สุดแล้วก็กินเวลากว้างขวางยาวนานที่สุดของประวัติศาสตร์ในรอบ50ปีของเรานะคะกราบน้ำพิ ก, การเจ้า่าพระอาจารย์พิบูลเจ้าขาะเ สาเจ้าค่ะวันนี้พระอาจารย์จะเมตตาหยิบไประเด็นไหนขึ้นมาสนทนาให้แง่คิดแก่ท่านผู้ฟังเจ้าค่ะเกี่ยวกับกปฏิจจสมุทบาทนี่เจ้าค่ะรื้อหมเลยเจ้าค่ะเรื่องปฏิจจสมุทบาทเนี่ยพูดกันได้เป็นเดือนก็ยังพูดกันได้อยู่เจ้าค่ะทีนี้วันนี้ที่เนื่องจากเป็นวันปิยมหาราช ด, ด้วยก็เลยจะมีประเด็นที่จะต้องถามคุณเตือนใจว่าที่คุณเตือนใจจําว่ า, าสเสด็จพ่อรหออ้ายังเงี้ยนะหรือว่าในหลวงรัชกาลที่ห้าเนี่ย ทั้งๆ ท, ที่ทําไมจําพระองค์ได้ทั้งนั้นที่ไม่ใช่ญาติของคุณเตือนใจใชค่ะเพราะพระองค์ท่านเป็นพระหมหากรรษัตริย์ที่เป็นที่รักในเจ้าคะแล้วก็เคารพบูชาของประศพนิกรชาวไทยพระองค์เป็นพระหมหากรรษัตริย์ที่ส่งนําความเจริญ มาสู่ประเทศชาติเรานะเจ้าคะในทุกๆด้านเลยทั้งในด้านของการคมนาคมการศึกษาวิทยาศาสตร์อะไรต่างๆรวมทั้งที่เขาเรียกกันว่าเป็นโลจิสติกก็คือเรื่องของการขนส่งต่างๆะเจ้าคะ่ะไม่ว่าจะไปรษณีไฟฟ้ า, ารถไฟอะไรต่างๆนั้นรวม และที่สําคัญที่สุดก็คือการที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณราธิคุณที่จะเลิกทาตุนะเจ้าคะก็ทําให้คนไทยเราซึ่งแต่ก่อนมีทาตมีอะไรต่างๆเนี่ยการแบ่งชนชั้นของเราหมดสิ้นลงทุกคนก็เป็นไทยแก่ตัวเจ้าค่ะใช่อันนี้เป็นความดีที่ได้ทรงสร้างทรงทำเอาไว้แล้วก็ต้องถามอย่างนี้ว่าอย่างทําไมเราถึงไม่สามารถจําชื่อพระมหากรรษัตริย์องค์อื่นอย่างเช่นว่าพระมหากรรษัตริย์ก่อนพระนารายมหาราชอย่างเงี้ยคือใคร หรือว่าหลังพระนารายมหาราชอย่างเงี้ยพระหมหากษัตริย์คือใครหรือก่อนก่อนนน้นที่คือใครสมัยอุทย า, าหรือสุขโขทยัยมีใครมีใครมีใครทุกพระองค์เราจําได้ไหมเราจําไม่ได้หมดนะเรา จ, จําได้เฉพาะองค์เด่นเด่นถูกไหมเจ้าค่ะหรือเอาอย่างคนใกล้ตัวนี่ไม่ใช่ญาติเราด้วยนะคุณเตืนใจเอาอย่าง<จ>คนใกล้ตัวอย่างมีนักสังคมศาสตร์ชาวอังกฤษเขาเคยทําวิจัยเขาพบว่า7 5็ซน์ะของคนอังกฤษเนี่ยไม่สามารถจําชื่อย่าทวดของตัวเองได้ นะคือสมมุติเรามีย่าเราใช่ไหมปู่ย่านะปู่ย่าตายายย่านะเอาคุณย่าแม่ของย่าชื่ออะไรเราไม่ทราบนี่ย่าเราเองนะเอ๊ะทำไมเราจําชื่อรอห้าได้นะว่าชื่ออะไรยายาเป็นบุตรใครเป็นอะไรยังไงทําความดีอะไรบ้างแต่ย่าทวดของตัวเราเองเราจําชื่อย่าทวดเราไม่ได้จู่ค่ะอะอันนี้มันเป็นมันเป็นง่ายๆถึงเวลาเนี่ยนะคุณเดินใจโดยเฉพาะยิ่งในสถานการณ์ที่เราตกอยู่เนี่ยถึงเวลาเราก็ไป นึกออกไหมคื อ, อยังไงความตายมันก็มาถึงไม่ตายวันนี้ก็ต้องตายสักวันหนึ่งแต่มันต้อง<จ>มีวันนี้แ<ะ>น่นอนแต่ถามว่าแล้วเราจะทิ้งอะไรไว้ให้โลกนะเราจะทําความดีอะไรไว้ชื่อตัวเราเองนะจะถูกลืมโดยเหลนเราเองเหลนเราเองก็จําชื่อเราไม่ได้นะถ้าถามว่าคุณจะทําอะไรวันนี้นึกออกไหม<จ>นะคุณจะทําอะไรวันนี้เพื่อความดี<จ>เพื่อที่ว่าไม่ใช่ว่าให้เหลนเราจําชื่อเราได้หรอกเพียงแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็ยังทําความดีให้เขา จดจำเรารู้จักเราว่าเออเราเป็นคนทำความดีตรงนี้อย่างกรณีของน้ำท่วมนะคนที่ฉวยโอกาสมีเยอะแยะนะเราก็ฟังข่าวคนที่ฉวยโอกาสทำความชั่วมีคนที่ฉวยโอกาสทำความดีก็มีเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นจึงต้องให้ท่านผู้ฟังเนี่ยเลือกตัดสินใจว่าฉันจะฉวยโอกาสทำอะไรนะเราต้องกลัวบาปกลัวความไม่ดีตรงนี้เป็นความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลเป็นหลักของปฏิจจสมุบาทกันนะ เป็นความคิดที่เป็นเ <Okay. S 1> หตุเป็นผลคือเรามีความรู้ขึ้นมาอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็อาศัยเหตุปัจจัยนี้แหละทาความดีให้มันเกิดขึ้น น, ะนี่คือการเกิดขึ้นของอความดีต่างๆในขณะเดียวกันเรามีความรู้อย่างนี้เราก็อาศัยทําให้มันความชั่วเนี่ยมันดับไปนี่จะเป็นเหตุปัจจัยในการดับไปของความชั่วต่างๆ ต, ต, ตรงเรื่องนี้พระพุทธเจ้าเคยพูดไว้ในเรื่องของการทํางานที่เป็นเหตุเป็นผลตรงนี้นะคือเอาพูดถึงความชั่วก่อน อย่างคนเนี่ยพอก็มีความอยากอยากที่จะไม่ได้น้ําหรืออยากที่จะขโมยอย่างเชื่อไอความอยากนี้มันมาจากการเห็นใช่ไหมเพราะมีผัสสะจึงมีเวทนาผัสนะสะในที่นี้ก็คือการสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจึงมีความรู้สึกความรู้สึกคือเวทนานะเวทนาเป็นภาษาบาลีแปลว่าความรู้สึกทีนี้พอมีความรู้สึกแล้วเนี่ยจึงมีตัณหา พอมีตัณหาคือความอยากใช่ไหมพอมีความอยากแล้วเนี่ยมันจะไปแสวงหานะพอมีการแสวงหาแล้วเนี่ยมันจะมีการได้พอมีการได้แล้วเนี่ยมันจะมีการปรงใจรักพอมีความปรงใจรักแล้วเนี่ยก็จะมีความกำหนัดด้วยความพอใจอย่างสมมุติว่าอาตมาไปทำชั่วยงนีนะ่คือเกิดการเหตุ เหตุเกิดของความชั่วนะเพราะเราอยากได้โนทนอยากได้นี่เราจึงไปหาขโมยหาขโมยมาเราก็ได้ได้แล้วเราก็ปร่งใจรักมันนี่คือไม่ใช่ถึงกับว่าหาขโมอยอย่างเดียวนะหาอย่างถูกวิธีก็มีนะอ่าเราก็ได้มาอย่างสมมุติคุณทํางานมาทั้งปีอย่างเงี้ยเก็บเงินไว้ฉันจะซื้อโทรศัพท์ใหม่พอซื้อโทรศัพท์ใหม่ได้มาแล้วนี่คือการแสวงหานะแสวงหา<ช>ได้มาแล้วก็มีการปร่งใจรักว่าโอนี่โทรศัพท์ของฉันโทรศัพท์ของฉันโทรศัพท์ของฉัน ของคนเืินตกไม่เป็นไรของฉันตกไม่ได้เป็นอย่างนี้จึงมีการปร่งใจรักปร่งใจรักเนี่ยไม่ใช่โปร่งใจรักของคนอื่นโปร่งใจรักของฉันนะของคนอื่นนะยี่ห้อเดียวกันทํางานเหมือนกันสีเดียวกันตกไม่เป็นไรช่างหัวมันแต่ของฉันไม่ได้นะพอมีการโปร่งใจรักเนี่ยมันจึงมีความกําหนัดด้วยอำนาจความเพลินความพอใจพอมีความกําหนัดในสิ่งนี้มันก็จะเสียบมัวเมาคือหมายความว่าเราจะเป็นทาสของมัน บางคนเนี่ยมีโทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องอยู่เป็่ตืนใจกคยเห็นไหมคนที่เดี๋ยวก็ควักโทรศัพท์มือถือมาดูเดี๋ยวแล้วควักโทรศัพท์มือถือมาดูนะทา ง, ท, า ง, งทั้งที่ประชุมอยู่ทํางานนั่นนี่อยู่คุยกันอยู่กินข้าวอยู่ยังไม่เว้นเลยควักโทรศัพท์มือถือมาดูเนี่ยมีโทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องอยู่ว่างง อ, องเถอะเจ้าค่ ะ, ะคือเล <c oughs> ่นตลอดเวลาแล้วก็ยึดเอาโทรศัพท์มือถือเป็นเหมือนกับเป็นสรณะว่าอย่างไรนะเจ้าคะ ยิ่งเด็กวัยรุ่นสมัยนี้นะเจ้าค่ะก็มีคุณพ่อคุณแม่บ่นมากเลยว่าไปไหนกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเจ้าค่ะก็ไม่ได้คุยกับคุณพ่อคุณแม่เลยเล่นแต่โทรศัพท์นะเจ้าค่ะแชทบ้างอะไรบ้างกับเพื่อนๆนะเจ้าค่ะเ่นาค่ะคือความสยบมัวเมาเนี่สยบมัวเมาในคือเราเป็นทาสของเขาละเขาจะสั่งเราซ้ายขวาได้หมดเลยโทรศัพท์นะเจ้าค่ะทีนี้พอมีความสยบมัวมาแล้วจะมีความจับอกจับใจ ของฉันของฉันความจับอกจับใจเนี่ยจะนําให้จิตดวงนั้นเนี่ยไปสู่ความตระณีตระณีนะใครพ่อแม่จะไม่ให้เล่นเนี่ยไม่ได้เลยนะจะเอาไปที่อื่นไม่ได้เลยนะนอนเนี่ยังต้องไว้ข้างหมอนเจ้าคะนี่คือพอมีความตระณีแล้วก็จะมีการห่วงกัน้นะห่วงกั้นนี่ก็คือว่าคนอื่นยืมไม่ได้คนอื่นแต่ต้องไม่ได้ตกน้ํานิดเดียวไม่ได้เนะต้องซื้ออะไรต่างๆมากันต่างๆให้มันเป็นเรื่องบรรดาวพอมีการห่วงกัน้นก็จะมีเรื่องราวที่เกิดจากการห่วงกัน้น นะเช่นการใช้อาวุธมีคมไม่มีคมการทะเลาะ ก, การวิวาทการกล่าวคําหยาบนะการพูดส่อสเสียดการโอ้พูดวิวาทมันบาปอากุศลทั้งนั้นเกิดขึ้นหมดเลยเอ่าเพราะว่าความอยากตัวนี้ทั้งนั้นเองเอ่า อ, อย่างถ้าใครอย่างกรณีของพี่น้องกันอย่างเงี้ยโดยเฉพาะผู้หญิงอะ่ะที่เขาเคยยืมของกันชันยืมเสื้อเธอตัวนี้ไปใส่นะแฉันยืมกระเป๋าไปใช้นะหรือาาฉันให้เธอยืมรองเท้านะ กลับมาเนี่ยเพราะเขาเอากลับมาปรากฏว่าเปื้อนนิดหนึ่งหรือว่ามันอไม่ได้อยู่ในสภาพเหมือนที่ยืมไปเนี่ยเขาจะมีความจี๊ดมีความโกรธขึ้นมาทันทีไม่ไม่แน่ใจว่าคุณเตืนใจเคยมีประสบการณ์นี้ไหมนะแต่ว่าน่าจะมีนะเจ้าค่ะน่าจะมีเนจะ้าค่ะหลายหลายๆท่านเนี่ยก็จะมีเจ้าค่ะโดยเฉพาะยิ่งคนที่ยืมของกันไปใช้อย่างเพื่อนบ้านเนี่ยยืมรถไปใช้เงี้ยกลับมามีรอยนิดหนึ่ง หรือว่าเข็มน้ํามันไม่เท่าเดิมหรือรว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปตรงนี้สกรปรกนิด น, นึงมันจะมีเรื่องราวที่เกิดจากการห่วงกันอย่างนี้ะนะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องปฏิจัจสมุปบาทเหมือนกันนะอาศัยเหตุผลนะเป็นเหตุเป็นผลกันเกิดขึ้น อ, อย่างเรื่องของกระสอบทรายเป็นต้นอยู่ในช่วงน้ําท่วมอย่างเงี้ยเรามีความอยากใช่ไหมอยากที่จะไม่ให้น้ําท่วมเราจึงมีการแสวงหากระสอบทราย กระสอบทรายล้วก็จะมีความโปร่งใจรักกระสอบทรายนะไม่ใช่กระสอบทรายที่อื่นนะต้องกระสอบทรายหน้าบ้านฉันเท่านั้นเจ้าค่ะกระสอบทรายที่อื่นฉันไม่หวงหรือมันอยู่ที่อื่นฉันจะเอามาเป็นของที่หน้าบ้านฉั น, นมันจะมีความปร่งใจรักกำหนัดด้วยความยินดีจะบอกจับใจใครจะม า, าไปไม่ได้น้ําจะพัดพาแตกใช่ไหมโอ้โหจะเป็นทุกมันเป็นอย่างนี้เพราะทุกเพราะกระสอบทรายมันมีก า, า, ารแส่ปัญหานี่ใช่ไหมเจ้าค่ะอืม เพราะตรงนี้เราต้องสาวไปหาเหตุเราจะพบว่าจิตของเราเนี่ยมันเป็นธาตุของไอ้เจ้าตัวความรู้สึกตันหาขอไปความรู้สึกคือเวทนาแนวะเวทนาคือความรู้สึกเนี่ยจะเป็นตัวผลักดันให้เราซ้ายขวาหน้าหลังบนล่างตามอํานาจของมันคือเวทนาคือความรู้สึกทีนี้ก็มีพิกสุก <c oughs> รูปหนึ่งไปถามพระพุทธเจ้าคุณต่านใจอา้าวแล้วใครเป็นผู้รู้สึกพระเจ้าข้าตามพระเจาอย่างนี้ ใครเป็นผู้มามีความรู้สึกผู้รูจ้าบอกว่าเป็นคำถามที่ไม่ควรถามเลยถ้าเรากล่าวว่าใครเป็นผู้รู้สึกคำถามนี้ควรจะมีว่าใครเป็นผู้รู้สึกแต่เราไม่เคยกล่าวว่าใครเป็นผู้รู้สึกคำถามควรจะมีว่าเพราะอะไรมีจึงมีความรู้สึกคุณเป็นใจนึกออกมามผู้รู้จ้าไปว่าพิสูรรูปนั้นนะบอกว่าถามผิดคำถามเราไม่เคยสอนว่าบุคคลเป็นผู้รู้สึกนะ ทำไมเธอมาถามว่าบุคคลเป็นผู้รู้สึกไม่ใช่เรามีสอนแต่ว่าเพราะอะไรเป็นเหตุจึงมีความรู้สึกคำถามควรจะเป็นอย่างนี้อะไรเป็นเหตุของความรู้สึกนี่ควรจะเป็นคำถามทีนี้หมายความว่าอะไรเนี่ยบทสนทนาตรงนี้ระหว่างพระุทธเจ้ากับภิกษุรูปนี้ก็หมายความว่ามันไม่มีอะไรเป็นตัวตนกับคุณเนใจเราไม่ได้เป็นเจ้าข้าเจ้าของอะไรเราไม่ได้เป็นตัวตนที่จะไปรู้สึกอย่างนั้นรู้สึกอย่างนี้ อันนี้ก็ไม่ใช่ของเราอันนี้ก็ไม่ใช่ของเราหรอกเราก็ยืมโลกเข้ามาเฉยแต่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในจิตของเรานะมันมีเพราะเหตุคือผัสสะถ้าเรายังมีผัสสะแล้วเราไม่รู้จักปิดกั้นผัสสะที่มากระทบเนี่ยเราจะเป็นทุกข์เพราะฉะนั้น <Okay. S 1> วิธีปิดกั้นผัสสะเนี่ยก็คือว่าก็ไต้ไปสิเอาจะดับยังไงดับผัสสะที่ไม่ดีดับให้ได้เอาคุณก็จะต้องไประ ง, งับที่สังขารการปรุงแต่ง ไล่ไปไล่ไปเนี่ยเราจะไปพบสังขารการปรุงแต่งการปรุงแต่งที่ไม่ดีทําให้จิตของเราไม่ดีเพรื่อนเราอย่าปรุงแต่งสิ่งที่ไม่ดีเราจะทำไงไม่ให้ปรุงแต่งสิ่งที่ไม่ดีเอางั้นคุณต้องมารู้อริยสัจสี่นะรู้มากขึ้นรู้มากขึ้นปรุงแต่งไม่ดีก็จะลดลงลดลงพอปรุงแต่งไม่ดีลดลงลดลงจิตของเราก็จะไม่มีภา菩萨ที่เป็นทุกข์ไม่มีภา菩萨ที่เป็นทุกข์ก็ไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ก็มีความสุขมากขึ้นลักษณะนี้เนาะนี่คือเรื่องของปฏิจจสมุปบาทแล้วก็ เป็นเรื่องที่ต้องย้ำแล้วย้ำอีกพูดกันบ่อยๆจะทำให้เกิดความเข้าใจในคำสอนพริเจ้าได้มากขึ้นอย่างเงี้ยนะแล้วก็ถ้าใครนะอาศัยเวลาที่น้ำท่วมเนี่ยไม่มีอะไรทำใช่ไหมอาหารก็ไม่มีกินเอาอดทนแล้วก็มาอ่านหนังสือหรือว่าฟังธรรมะนี่ก็จะดีเหมือนกันนะธรรมาว่า เจ้าค่ะแต่ยอมคิดว่าตอนนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนเนื่องจากมีพี่น้องประชาชนเป็นจํานวนมากนะเจ้าคะ <laughs> เป็นแสนแสนคนที่ประสบอุทกภยัยเช่นนี้นะเจ้าคะดังนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ว่าการช่วยเหลือของทางฝ่ายรัฐบาลเองหรือว่าไม่ว่าจะเป็นองค์กรกุศลอ่าสื่อต่างๆนะเจ้าคะทั้งวิทยุโทรทัศน์แล้วก็บรรดาดาราอ่านักร้องอะไรต่างๆก็ที่มีจิตเอ่อเรียกว่ามีจิต คุณสนะเจ้าคะ่ะมีจิตที่ว่าจะเป็นอาสาสมัครเนี่ยออกไปช่วยเหลือเนี่ยช่วยยังไงนะเจ้าคะ่ะโยมก็คิดว่ามันเป็นมันเป็นสัจธรรมอย่างหนึ่งว่าคงจะไม่สามารถช่วยเหลือได้ทุกผู้ทุกคนนะเจ้าคะ่ะ ท, ที่กำลังประสบปัญหาอยู่ดังนั้น อ, อยากจะขอกราบพระอาจารย์ตรงนี้เจ้าคะ่ะว่าอยากขอให้พระอาจารย์ให้ธรรมะ สำหรับท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะเจ้าคะ่ะโดยเฉพาะอย่างยิง่งท่านที่กําลังประสบปัญหาอุทกภัยอยู่แล้วอาจจะนึกน้อยอกน้อยใจว่าทําไมไม่ได้รับความช่วยเหลืออะไรเลยท่านจะต้องทนลาบากมากเนี่เจ้าคะ่ะควรจะวางจิตอย่างไรดีเจ้าคะ่ะจึงจะสามารถเป็นสุขอยู่ได้แม้ว่ากําลังผจนกับสิ่งที่เรียกว่าเป็นอุทกภัยครั้งร้ายแรงที่สุดของประเทศเราในรอบ50ปีเจ้าคะ่ะนิมนต์เจ้าคะ่ะก็อันนี้ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนที่ญี่ปุ่นเขาเจอสึนามิ แล้วเขาก็มีทั้งเรื่องความหนาวเรื่องของน้ําท่วมเรื่องของเป็นดินไหวเรื่องของกัมมันตรังสีใช่ไหมเราดูทางนู้นเขาเนี่ยเรานั่งปลอดภัยดูทีวีอยู่ที่บ้านเนี่ยโอ้เราสงสารเขาจะปกจับใจใช่ไหมแล้วก็โอ้ยอยากจะช่วยเหลือช่วยเหลือนะช่วยอะไรด้วยก็ช่วยใช่ไหมทีนี้อพอพอกรณีของอเราดูข่าวเนี่ยถ้าเราสามารถเห็นว่าโอ้ยเราจะต้องมีการเตรียมการนะชีวิตฉันก็ไม่แน่ไม่นอน เอางี้และกันพระพุทธเจาบอกว่าเอ๊ะถ้าเราเห็นคนอื่นเป็นทุกอยู่เนี้ยแล้วเรามาเตรียมการในการที่จะเมื่อเจอทุพพิฆภัยลักษณะนั้นเนี่ยจะเป็นผู้อยู่ผาสุขอยู่ได้เนี้ยอันเนี้ยจะเปรียบกับผู้ที่เป็นม้าอาชาัยประเภทที่1 น, นะเป็นม้าอาชาัยที่ประเภทที่1ที่ดีนะคือเปรียบเหมือนกับเอาประตักเนี่ยคือคนฝึกม้านี่ยนะเขายกประตักขึ้นเป็นสัญญาเนี่ยม้าก็รู้จักเดินไปนอันนี้เป็นม้าอาชัยประเภทที่1 เปรียบเหมือนกับคนที่เห็นคนอื่นเขาทุกข์อยู่เนี่ยเราไม่รู้จักหลอกเห็นอยู่ไกลๆโน่นเราก็มาแก้ไขตัวเองเรารู้จักเตรียมการในการที่จะทำํำไงไม่ให้น้ําท่วมหมายความว่าเตรียมการยังไงที่จะให้เราไม่เป็นทุกข์เนะี่ยเมื่อยามมีเวลาอย่างนั้นเกิดขึ้นอย่างเช่นบางคนก็ไปสร้างาสร้างน้ำทำบุญเตรียมการไปซื้อที่ซื้อทางต่างๆก็มีนเนาะนี่ ค, คือม้าอัยในประเภทที่1ส่วนบางคน อยู่อย่างเช่นคนที่อยู่ภาคอีสานที่ไม่ได้โดนผลกระทบทาง เ, าเกี่ยวกับน้ําท่วมหรือที่อื่นที่ยังไม่โดนผลกระทบเกี่ยวกับน้ําท่วมเนี่ยเห็นคนภาคกลางเห็นคนกรุงเทพเห็นคนอยุธยาแล้วโอ้โหเป็นทุกข์มากอย่างเงี้ยก็มามีความคิดว่าอุย้ยตายละชีวิตนี้มันไม่แน่ไม่นอนเลยเห็นเห็นกันอยู่ละหลัดทําไมเป็นอย่างนี้เราก็มาทําความเพียรเพื่อที่จะเมื่อมีความทุกข์นี้เกิดขึ้นเราจะเป็นผู้อยู่ผ่าสุขได้นะตรงเนี้จะเป็นมาอาชาในประเภทที่สอง ท, ที่ช่างครูฝึกม้าเนี่ยก็ออกมาตักเนี่ยจรดไปที่หนังแทงแทงไว้แต่ยังไม่ยังไม่ถลุหรอกแต่ให้รู้สึกว่าต้องไปแล้วนะเดินซ้ายขวาหน้าหลังนะส่วนถ้าเราเป็นผู้ที่มีญาติอยู่ในเหตุการณ์นั้นนะอย่างเช่นว่าคนที่อยู่ภาคอีสานอย่างเงี้ยไม่โดนผลกระทบแต่ว่าลูกตัวเองอยู่ในนั้นติดคาอยู่บนหลังคาที่อยุธยาก็ตามที่ปทุมธานีก็ตามเนี่ยเราก็หรือว่าบ้านตัวเองอยู่ที่เนี่ย อยู่ที่ภาคอีสานแล้วก็มีญาติทางนู้นโอ้โหมาอยู่เต็มเลยนะเพราะว่าความที่เขาอยู่ไม่ได้แล้วมันมันน้ําท่วมหมดนะกกนะอันนี้แล้วก็มาคิดว่าโอ๊ยตายละตัวฉันนี่มันก็ไม่แน่ไม่นอนนะความทุกข์เกิดได้ทุกเมื่อเอางี้ฉันจะมาทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะจะเป็นทางกายก็ตามทางใจก็ตามเพื่อนที่จะให้เมื่อเวลาความทุกข์นี้มาถึงแล้วเนี่ยจะเป็นผู้อยู่ผาสุขได้เนี่ยอันนี้เขาจะเป็นม้าอาชนวะเวทที่ส นัคือเวลาที่ครูฝึกม้าเนี่ยเขาเอาประตักแทงเข้าไปละแทงเข้าไปทะลุหนังอยู่ที่เนื้อล่ะนะให้มันรู้สึกมากขึ้นมันจะได้ไปเดินซ้ายขวานหน้าหลังหรือว่าอย่างที่4ี่นั่นคือคนที่อยู่ในสถานการณ์นะเท้าเปลื่อยอยู่นะท้องหิวอยู่ไม่มีใครมาช่วยแล้วก็ซ้ายขวานหน้าหลังไ ม, ไม่มีใครอยู่คนเดียวข้าวของก็ถูกพัดไปหมดลอยตุ้ ป, ป่องตู้ ป, ป่องอยู่แล้วก็เกิดมีความคิดว่าตายละชีวิตนี้ฉันไม่แน่ไม่นอนเลย จะทํำยังไงชีวิตฉันถึงจะปลงความทุกนี้ไปได้วางความทุกนี้ได้ให้เป็นผู้ที่อย่างน้อยจิตก็ยังเป็นสุขถึงแม้กายจะยังมีความทุกข์อยู่แล้วปล่อยวางได้วางได้นะอันนี้จะเป็นม้าอาชัยในประเภทที่4ที่นายฝึกม้าเนี่ยเขาเอาประตักแทงทะลุหนังเข้าไปถึงเนื้อจออยู่ที่กระดูกละแล้วก็เดินไปซ้ายขวาหน้านะหลังจิตเขาจะสบายณนะขณะที่เท้าเปียกอยู่ก็าตามนะส่วนคนอีกประเภทหนึ่งนะคือคนที่อยู่ในสถานการณ์นะเท้าเปียกอยู่เหมือนกัน นะข้าวของก็เสียหายหมดท้องก็หิวยังไม่มีใครมาช่วยแล้วก็เที่ยวดา่านะด่ากราดกระฟัดกระฟี ด, ก ร, ฟดกระด้างกระเดืองแสดงความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏนะหรือไม่ก็ร่ำให้ร่าครวญทุบอกชกตัวถึงความเป็นผู้งุนงงคลั่งเพอ้อนะอย่างนี้คือปุถุชนยังไม่รู้เรื่องอะไรนะ <Okay. S 1> ตัวเองทุกทางกายยังไม่พอแล้วตัวเองยังทาให้ตัวเองทุกทางใจ คนที่เขาใช้สถานการณ์นี้แก้ไขปัญหาก็มีคนที่เขายังอดทนได้ก็มีในเมื่อคุอื่นอดทนได้ทำไมเราจะอดทนไม่ได้ญี่ปุ่นเขาโดนหนักกว่าเราเขายังอยู่ได้ทำไมเราจะอยู่ไม่ได้เราต้องอยู่ได้สิเราต้องมีความอดทนสิให้แค่เห็นตรงนี้เราจะเป็นม้าอาชาไนเดี๋ยวมาให้ใช้สถานการณ์นี้ในการฝึกจิตอดทนช่วยเหลือกันสามัคคีการไม่มีเวลาไหนคุณเตือนใจที่เขาจะ ที่ธรรมชาติมันจะมาเรียกร้องให้จิตของเราเนี่ยให้สังคมเราเนี่ยต้องมีความสามัคคีกันอดทนกันเหมือนอย่างวินาทีนี้คคุณธรรมตรงนี้นะจะต้องถูกทดสอบแล้วทดสอบอีกทดสอบแล้วทดสอบอีกอยู่เรื่อยไปเรื่อยไปเพราะฉะนั้นถ้าอัตมาจะพูดให้ท่านทั้งหลายที่ประสบปัญหาอยู่ก็ตามเนี่ยก็ต้องให้เข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทอย่างนี้ให้เข้าใจว่า เ, ออเราเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้นะเราเป็นม้าอาชายนายได้ เราเป็นผู้ที่อดทนได้อย่างนี้มีอะไรช่วยเหลือกันลักษณะ น, นี้นะไม่ใช่ว่าเขาไม่ทําอะไระรัฐบาลก็ทําอย่างเต็มกําลังองค์กรนั้นก็ช่วยอย่างเต็มกําลังองค์กรนี้ก็ช่วยอย่างเต็มกําลังเราต้องช่วยตัวเองอย่างเต็มกําลังด้วยเหมือนกันอย่างนี้นะอืโจค่ะ อันนั้นก็จะทําให้ท่านผู้ฟังที่อาจจะโดนอุทกภัยอยู่ในขณะนี้นะเจ้าคะอาจจ ะ, ะเราอยู่บ้านเราดีๆขณะนี้อาจจะต้องกลายเป็นคนที่อบายภัยไปอยู่ในที่ที่ทางรัฐบาลจัดให้นะเจ้าคะโยมมีเรื่องนึงที่อยากจะกราบเรียนพระอาจารย์ภัยบูลอภิปุโ น, โนเจ้าคะ่ะว่าโยมได้ดู ข่าวทางทีวีนะเจ้าคะก็เห็นว่าอย่างเมื่อสักครู่ผู้จารย์เปรียบที่เยียบคนญี่ปุ่นนะเจ้าคะที่เขาโดนทั้งซีนามิทั้งความหนาวเย็นแล้วก็ยังมีกรมันตาภาพรังสีด้วยตอนนั้นภาพที่คนทั่วโลกได้เห็นนะเจ้าคะก็คือความอดทนอย่างยิ่งความมีมวินัยอย่างยิ่งของประชาชนชาวญี่ปุ่นซึ่งเป็นที่สรรเสริญทั่วไปนะเจ้าคะว่าแม้ว่าจะอดอยากยังไงเนี่ยเขาก็ยังมีระเบียบวินัยในการที่จะเข้าคิว รอรับสิ่งของที่ที่ได้รับการช่วยเหลือใช่ไหมเจ้าคะไม่มีการแก่งแย่งกันมีการแบ่งปันกันซึ่งอันนี้เนี่ยโยมคิดว่านะจุดนี้ของเมืองไทยเรานะเจ้าคะหลังจากที่เราได้ประจนเกี่ยวกับเรื่องของอุทกภัยมาได้เป็นเวลาถ้าเปือือจะนับเวลานี้ก็เป็นเดือนแล้วนะเจ้าคะแต่ตอนนี้เนี่ยมีสิ่งที่โยมคิดว่าคนไทยเราเนี่ยเราได้มีสิ่งดี ที่เกิดขึ้นในชาติเราเช่นเดียวกันก็คือคำ ว, ว่าคนไทยไม่ทิ้งกันนะเจ้าคะเราเกิดความรักความสามัคคีแล้วก็เมื่อดูข่าวที่มีผู้ที่ได้มาลี้ภัยอพยพมาอยู่ที่ ศูนย์ธรรมศาสตร์ที่รังสิตนะเจ้าค่ะมหาวิทยธรรมศาสตร์เนี่ยเมื่อเข้าไปสัมภาษณ์เนี่ยเจ้าค่ะก็จะเห็นว่าช่วยกันเลี้ยงดูลูกเล็กๆของคนอื่นนะเจ้าคะแล้วก็ไม่มีการขโมยของการไม่อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแบบรักใคร่กันดีแล้วก็อย่างตากผ้ายาวอะไรอย่างเงี้ยไม่มีหายเลยเพวาก็ช่วยกันอันนี้โยมคิดว่าเป็นสิ่งที่มันเป็นความดีที่มัน ซ่อนอยู่ในจิต ล, ลึกใต้สํานึกลึกๆของคนไทยเราที่พยายามที่เราทุกยากแล้วนี่เราก็ยังมีจิตใจที่เรียกว่าไม่ได้ต่ําไปตามเหตุการณ์ที่มันแย่ๆนะเจ้าคะ<ช>่ะ<ช>อันนี้พระอาจารย์คิดว่าจะเมตตาให้กําลังใจสําหรับท่านผู้ฟังที่กําลังตกทุกข์ได้ยากอย่างนี้หรือแม้แต่ท่านอื่นๆซึ่งภัยยังไม่มาถึงตัวนี้อย่างไรบ้างเป็นการส่งท้ายรายการในเช้าวันินี้นี้เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะก็ต้องก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเราก็ต้องทําต่อไป นะสิ่งที่เราต้องรักษานี่คือความดนะีสิ่งที่เราต้องรักษาคือกุศลธรรมปากกาตีนทิบยังไงอดอยากแค่ไหนเราก็ต้องช่วยกันเพื่อที่จะรักษาจิตของเราให้ให้ดีนะดูอย่างพระพุทธเจ้าสิันเตือนใจเอ้ยนะกินข้าววันละเท่าเยื่อถั่วเขียวเทนะ่าฝายฝามือเพื่อที่จะหวังอนุตต ร, รสมมาสมุทัยญาณครูารารารครบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อชาติสมัยก่อนนะมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆอดอยากมากกล้วยลูกนึงเนี่ยแบ่งกัน4ี่องค์องค์ละนิดๆอย่างนี้นะ ก็อดอยาดนี่เพราะอะไรเพราะว่าหวังผลในให้จิตเนี่ยเป็นกุศลนะเพราะว่าท่านอยู่ที่นี่และท่านภาวนาดีเหมือนกันเราอยู่ที่ไหนศูนย์ที่ไหนเนี่ยเราหวังว่าจิตของเราต้องเป็นกุศลเราต้องรักษาจิตของเราอย่างเดียวนะรักษาจิตให้ดีให้ตั้งมั่นดีแล้วทำต่อไปจะทำให้สังคมเราอยู่ได้ไปอย่างดีแล้วก็เราคนเดียวทำานี่นะคุณจะมันมีผลกระทบไปรอบ คือ <Okay. S 1> ว่าคนที่จะมาเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเออคนนี้ทําดีนะเออฉันกน็อยาจะทําบ้างใครๆเขาก็ทํากันเอองั้นเรามาช่วยกันทำความดีหนึ่งคนเนี่ยจะช่วยแผ่พลังเขาเรียกว่ากระแสแห่งความรักความเมตตาออกไปนะอย่างการที่มีพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยเป็นตัวอย่างทําให้คนเห็นว่าเอยความดีมันมีคนอื่นมีก็ทำไวครูบาอาจารย์นะเป็นกําลังใจให้เราเห็นว่าอโอ้ทำความดีมันมีอย่างงี้ตั้งมัน่นไปงี้อดทนไปนงี้เอาเราก็ทําตาม คนนึงคุณทําคนเดียวเนี่ยนะมันไม่ได้ได้ประโยชน์คนเดียวนะมันได้ประโยชน์ทั้งผู้อื่นทั้งตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นให้ทําอย่างนี้ถึงจะถูกต้องแล้วข่าวเนี่ยเราใช้สื่อให้เป็นประโยชน์ในการที่จะ เ, เชิดชูความดีของคนนะเมื่อไหรที่เราเอาความดีของผู้อื่นมาเปิดเผยห้ปรากฏเนี่ยยิ่งจะทําให้กระแสะการทําความดีเนี่ยมันยิ่งมากขึ้นมากขึ้นคนตืนอนใจเนี่ยเข้าไหมเจ้าค่ะเป็นหลักก็เรียกว่าแผ่ขยายออกไปนะเจ้าค่ะ ค, ะคนเห็นก็จะเห็นเป็นตัวอย่างว่านี่แหละคือความดีนี่แหละ คือสิ่งที่น่าชื่นชมและนี่แหละคือสิ่งที่พี่น้องชาวไทยเราคือที่เป็นพี่น้องร่วมชาติกันควรจะทําอย่างยิ่งในยามที่ประเทศชาติเรากําลังประสบทุพพิกภัยหรือว่าอุท ก, ก, ก, กภัยเช่นนี้ใช่ไหมเจ้าคะถูกต้องถูกต้องเลยสาธุเจ้าคะ่ะ ค่ะท่านผู้ฟังคะเวลาในรายการธรรมาราบรรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเช้าวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันปิยมหาราชในวันนี้นะคะก็หมดลงแล้วค่ะคิดว่าเดี๋ยนเชื่อมั่นว่าการที่ได้สักษาหรือสนทนาธรรมกับพระอาจารย์ไพรวนอภิปุโนซึ่งท่านเป็นลูกศิษย์เอกของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดรสะอาดทิโตโภาโศหรือท่านพระครูศิทธิพพากกรท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศก ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายศพอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีในเช้าวนันนี้คงจะได้ให้ประโยชน์ความรู้แล้วก็แง่คิดที่ดีดแก่ท่านผู้ฟังทางบ้านที่รับฟังกันเป็นอย่างมากทีเดียวนะคะแล้วก็คงจะทําให้พวกเราทุกคนนั้นมีจิตใจที่เรียกว่าเป็นสุขอยู่ได้แม้ว่าเรากําลังจะต้องอะระจนอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าเป็นอุทกภัยครั้งร้ายแรงของประเทศเราก็ตามนะคะก็หวังว่ารายการนี้คงจะ เป็นส่วนหนึ่งที่จะให้กำลังใจแก่ท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาพุทธศาสนิกชนนะคะที่จะทำความดีต่อไปและก็เชื่อมั่นในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำสอนของพระองค์ท่านนั้นนำมาปฏิบัติกันได้ทุกยุคทุกสมัยเป็นสิ่งที่มีเหตุมีผลแล้วก็ เป็นสิ่งที่เรียกว่าพิสูจน์กันได้ทางวิทยาศาสตร์นะคะค่ะสำหรับเช้า ว, วันนี้ก็ต้องนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบน้มัศการขอบพระคุณแล้วก็กราบลาพระอาจารย์ไพบุญอภิปุนโนเพียงแค่นี้นะคะเราพบกันใหม่ในเช้า ว, วันเสาร์อาทิตย์หน้าซึ่งเป็นเสาร์อาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคมกันนะคะกราบน้มสักการและกราบขอบคุณเจ้ า, าพระอาจารย์เจ้าขะเชิญพรสาธุเจ้า่ะ